ในลำดับต่อไปจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาแล้วตั้งใจบาเพ็ญสมาธิภาวนาด้วยจิตที่ตั้งมัน่นพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ เป็นไปเพียงเพื่อลำดับขั้นแห่งความประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าขั้นศีลธรรมก็มีขั้นธรรมะที่สูงขึ้นในแก่การทำจิตใจของตนให้มั่นคงไม่หวั่นไหวตลอดจนขั้นพิเศษซึ่งเรียกว่าปริมัษธรรมใช้ปัญญาพิจารณาสังขาร ให้เห็นตามความเป็นจริงทนละปล่อยวางอุปาทานและกิเลสทั้งปวงสำหรับในด้านทางสมาธิการทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอุปการะธรรมแก่ชีวิตมากมายยังประโยชน์สุขและเพิ่มภูณปัญญา ให้เกิดมีขึ้นเมื่อตอนเช้าได้แสดงไว้ว่าถ้าต้องการความสงบกับจิตก็เพ่งดูจิตและภาวนามีสติคุมอยู่เสมอไม่ต้องพิจารณาหรือไม่ต้องพิจารณามากส่วนถ้าต้องการปัญญาก็ใช้ สติกับปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมะคำสอนตั้งแต่ร่างกายนี้ประกอบไปท่าสีดินน้ำไฟลมเห็นตามความเป็นจริงด้วยอุบายที่แยบคายคำว่าอุบายที่แยบคายคือหาสิ่งมาเปรียบเทียบ ถ้าเรามองตัวเราไม่เห็นก็หาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบชีวิตนี้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตที่ต้องแก่ต้องตายมันมีช่วงที่ห่างทําให้บุคคลมองไม่เห็นได้ถ้าเราจะเปรียบเหมือนดอกชีวิตนี้เหมือนดอกไม้ที่เช้าขึ้นเริ่มแย้มสายก็าบาน บ่ายก็เริ่มโรยเย็ยนก็ร่วงเหล่านี้เป็นตน้นชีวิตนี้ก็เหมือนกันมีอาการเป็นอย่างนี้หาอุบายหลายหลายอย่างหลายหลข้อเห็นปรี่นอกจากเหมือนดอกไม้แล้วก็เหมือนกับฟองน้ำฟองสบู่ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว ไม่ช้าก็แตกดับไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันหรือเปบียบด้วยแสงแดดแสงเดือนเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดคราวใดที่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกมาบางังแสงของอาทิตย์แสงของดวงเดือนก็สว่าง แต่ก็ไม่ได้สว่างอยู่ตามปกติแล้วก็มืดคือดวงเดือนเหล่านั้นมีเมฆหมอกมาบางังหรือโคจรตกบังโลกไปแสงก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรยั่งยืนและมีอุปสรรคเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงอย่างนี้ทุกคนทุกสัตว์ทุกผู้ทุกนาม ไม่มีใครร่วงเลยละสภาพเหล่านี้ไปได้ถึงไม่ชอบก็ต้องได้รับถึงไม่กลัวก็ต้องได้รับถึงเกลียดก็ต้องได้รับถึงอยากให้เป็นก็ต้องได้รับไม่มีใครรอดพ้นไปได้แต่จะชอบหรือไม่ชอบจะกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องได้รับแต่คนที่เรียกว่าไม่กลัวถ้ามีสติพิจารณา ใช้ชีวิตในความเป็นอยู่ที่ยังไม่ยังไม่ตายหรือยังไม่ทุพพลภาพปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมจนปฏิบัติขั้นจิตขั้นธรรมให้รู้เห็นตามความจริงเท่าที่จะทำได้ก็นับว่าเป็นช่วงชีวิตที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไร ที่จะประเสริฐสุดด้วยการปฏิบัติธรรมที่ว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐสุดเท่าการปฏิบัติธรรมเพราะสรีระร่างกายนี้ถึงจะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ดียังไม่มีโรคภยยัยไข้เจ็บรุกกวนก็ดีก็เป็นเพียงศักว่าธาตุแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไป วันคืนร่วงไปร่วงไปพาชีวิตพาร่างกายพาเลือดเนื้อเกศาโลมานขาทันตาจะโจของเราให้เข้าสู่ความแก่ควารมร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อยู่เป็นที่เลยไม่ได้อยู่ตั้งมั่นเลยเป็นสภาพอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงตัดว่า กลัวสภาพนี้จะหนีไปอยู่บนฟ้าก็ไม่พ้นดำด้นลงไปในมหาสมุทรก็ไม่พ้นอยู่ในหุบเขาอยู่คนเดียวก็ไม่พ้นมัจจุราชย่อมตามไปได้ทุกแห่งทุกสถานที่มีร่างมีกายมีจิตที่ไหนมัจจุราชก็ตามไปร่างกายนี้ ท่านจึงเปรียบเหมือนว่าเหมือนของยืมเข้ามาใช้ถ้าเรายืมสิ่งของต่างๆของบ้านใกล้เรือนเคียงมาใช้เช่นมีดพา้าถ้วยชามและอื่นๆเป็นต้นวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้เขาไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันวันนี้ว่าเป็นของเรา ต้องดื่มต้องกินต้องบริโภคอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายของเรานี้ให้มีชีวิตอยู่แต่แล้วในวันต่อไปถึงจะมีกินมากเพียงใดจะให้กินอย่างไรก็ไม่ยอมรับต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามสภาพการใช้อุบายพิจารณาให้มากๆให้ได้อย่างยอมเกิดผลก็คือหนึ่ง ทำให้จิตตรึกอยู่ในล่างกายนี้ไม่ไปไหน 2. ทําให้จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นเพราะจิตที่ไม่สงสายไปที่อื่นสามทให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดขจัดมนลทินเครื่องวางจิตที่ให้มัวมองต่างๆให้บางไปหมดไป สีจนน่จนในรบจนด้รับผลคือความผ่องแผ้วในจิตเกิดมีขึ้นก็จะเห็นอัดเห็นทมเหมือนกับว่าเราขุดบนแผ่นดินเพื่อสแสวงหาของในใต้ดิน ก่อนที่เราจะขุดก็เพียงแต่ประเมินหรือประมาณว่าสิ่งของตรงนั้นคงอยู่ตรงนี้เมื่อขุดไปขุดไปก็ได้แต่ดินขึ้นมาจนฝาจอบที่ขุดจะกระทบกับโลหะที่ฝังไว้ที่ตรงการพอรู้ว่ากระทบ ก็มีความมั่นใจว่าถึงแล้วพบแล้วจิตก็เหมือนกันฝึกไปอบรมไปสภาพของจิตที่ถูกฝึกก็ดิ้นลนไปสติกับปัญญาก็ช่วยแก้ไขให้เกิดความมั่นคงไปจนสติปัญญามีกำลังกล้า อารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆก็หมดไปวอดวายไปเหลือแต่ฟาร์มเป็นหนึ่งจิตเมื่อสัมผัสกับฟาร์มเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวก็เป็นสิ่งที่แปลกและตื่นใจใจก็จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวนั้นนี่คือสมาธิเหมือนกับการขุดพบวัตถุดังประสงค์ เพราะฉะนั้นการพิจารณากายของเรานั้นย่อมเป็นไปได้ทั้งปัญญาและสมาธิการเพ่งก็ย่อมได้ทั้งสมาธิและปัญญาเพราะมีคำว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาภลาโหติมหาอิสังซาสมาธิเล่าเมื่ออบรมดีแล้วจิตตั้งมั่นดีแล้ว ก็มีปัญญาเป็นอานิสงค์คือทำให้เกิดปัญญารวมความว่าทั้งสองประการเป็นธรรมะต่อเนื่องกันสมาธิกับปัญญาต้องเป็นคู่กันทำสมาธิสมาธิบริบูรณ์ปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงพิจารณาน้อยแต่จิตสงบมาก และเป็นนิสัยจนเคยชินเกิดปัญญาขึ้นไม่มากก็สามารถตัดกิเลสได้ที่ท่านเรียกพระประเภทนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิส่วนปัญญาวิมุตคือใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นแจ้งเห็นกระจ่าง หมดสงสัยเกิดความสงบพลังแห่งความสงบและปัญญาประกอบกันก็กำจัดกามาสะวะภาวาสะวะอวิชชาสะวะหรือถอนอุปาทานนั่นเองให้หมดไปถึงเร่งความผ่องแผ้วถึงเร่งความหมดจดทั้งสองประการจึงมาเป็นคู่กันรวมความว่า การทำจิตให้สงบในวิธีใดพิธีหนึ่งในสองวิธีคือเพ่งและพิจารณานั้นเป็นภาวนาใหม่ถึงสมาธิยังไม่เกิดปัญญายังไม่มีรู้หลักคำสอนแล้วนำไปปฏิบัติก็ได้เป็นภาวนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากภาวนา และบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนานี้เป็นตัวตรงเป็นหลักเป็นแกนในของบุญเป็นหลักสาคัญของบุญคือการอบรมจิตเป็นแก่นของกายละวาจาหรือเป็นหัวหน้าของกายละวาจาเมื่อใจตั้งมั่นได้รับการอบรมให้รู้ถูกรู้ชอบรู้ดีตั้งมั่นดีแล้วก็จะทำถูกพูดถูกคิดถูก ตามมาเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นสมาธิในด้านเพ่งก็ดีในด้านพิจารณาก็ดีควรทำไว้บ่อยๆซึ่งได้กล่าวว่าพาวิตาปะหุริกตาได้แสดงมาแล้วบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นบุญที่เกิดฟามประนีช ละเอียดอ่อนผู้ที่ทำสมาธิจึงได้บุญมากแต่ตรงกันข้ามถ้าผู้ใดรบกวนผู้อื่นที่กำลังทำสมาธิจะเป็นบาปมากเช่นเดียวกันในอัจฉริาะยังกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์รูปหนึ่ง นั่งสมาธิอยู่เพื่อสวยวิมุตจสุขแห่งความสงบนกแฝกตัวหนึ่งบินแล้วร้องอย่างแรงผ่านไปทำให้พระท่านต้องออกจากสมาธิหรือบรบกวนจิตสมาธิของท่านท่านกล่าวว่านกตัวนั้นหลังตายไปแล้วก็ไปสู่นรกเวลานี้ยังไม่พ้นจากนรกเพราะโทษแห่งรบกวนความสงบของผู้ทาสมาธิ เมื่อบาปรุนแรงสมาธิคุณก็ต้องรุนแรงก็ต้องมีคุณสูงเช่นเดียวกันนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความที่พ้นจากอนน่าของสมาธิพูดแต่เพียงคุณของสมาธิที่ทำจิตสงบแล้วท่านบอกว่าช้างที่เวล า, วลามันมันใช้หูมันวีไล่ามาแรงวี เพียงโบกลล่เมลแรงหวีครั้งหนึ่งจิตของบุคคลตั้งเป็นสมาธิเพียงชั่วช่างโบกหูครั้งหนึ่งมีอานิสงส์เหลือที่จะประมาณเป็นประในส่วนดีเพราะฉะนั้นการทำบุญหวังให้ได้บุญหวังให้มีมารมีหวังให้เจริญสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่จิตของเรา สมาธิจึงเป็นหลักที่สำคัญและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นมีเวลาว่างที่ไหนก็ตามควรอบรมจิตของตนไว้บ่อยๆจะเป็นบุญกุศลซึ่งไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากทำของเราทำของเราเองดังนั้นต่อนี้ไปชงตั้งใจชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งปวงน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้จิตเกิดความสดชื่นเ อ, อิบอิ่มมีปิติดีแล้วตั้งใจภาวนาพุทธโธดูที่จิตมีสติคุมอยู่ที่จิตจิตนึกว่าพุทธก็รู้ว่าโทก็รู้อย่าให้ไปที่อื่นหายใจเข้าออกแบบธรรมดาเว้นไว้แต่บางครั้งที่ต้องแก้ เห็นใบใจฟุ้งซ่านมากก็ต้องนึกว่าพุทธโธพุทธโธเร็วๆถ้าหากว่าไม่มีปัญหานั้นก็ว่าพุทธโธแบบปกติมีสติคุมไว้จิตที่ถูกคุมด้วยสติก็จะค่อยเบาและประณีขึ้นตามลำดับเหมือนกับว่าน้ำ ที่ใส่ไปในหลอดแช่เย็นค่อยๆจับตัวแข็งขึ้นแข็งขึ้นจนเป็นน้ำแข็งจิตก็เช่นเดียวกันมีสตินึกพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างเดียวก็ค่อยๆรวมตัวเพราะปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วก็จะเกิดความสงบขึ้นสมาธิอย่าไปบังคับอย่าไปอยากให้เกิด แต่อย่าเบื่อหน่ายวางใจไว้เป็นกลางกลางและทำความรู้สึกทางจิตให้เบาให้ประณีตสมาธิจะเกิดขึ้นง่ายที่ว่าอย่าไปอยากได้สมาธิคือถ้าหากว่าไปนึกอยากได้สมาธิหรือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีความสุขมาก อยากได้ความสุขนั้นอีกสมาธิหายไปเลยเพราอสมาธิต้องการจิตเป็นกลางคราใดาจิตเป็นกลางได้คนที่มีสติปัญญาฉล า, าดว่างจิตเป็นกลางได้สมาธิเกิดขึ้นได้ทุกขณะความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใจมีสติภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาอันจะเป็นบุญเป็นกุศล และทำให้จิตตั้งมั่นเกิดปัญญาตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไป